ก็ปฏิบัติไปด้วยนะ <c oughs> ฟังไปด้วยปฏิบัติไปด้วยจะได้อ่เรียกว่าเราได้ฟังในสิ่งที่เราทำได้ฟังสิ่งแล้วเราทำแล้วได้ทาสิ่งที่เราฟังก็จะทำให้เข้าใจยิ่งขึ้นวันนี้ที่ตอนเช้าได้สวดถึงเรื่องจิตานุปัสสนาช่วงเช้าหลวงพ่อก็ให้คุณสมพรสรุปเรื่องของ าการเข้าใจรูปนามในส่วนของโย ม, มแล้วก็พรุนี้เช้าก็คุณวริษาจะได้สรุปให้ฟังในส่วนของโยมทุกคนที่ที่ปฏิบัติเนี่ยในช่วงวันสุดท้ายจะสรุปความเข้าใจของตัวเองออกมาอย่างน้อยในอารมณ์รูปนามเนี่ยต้องอธิบายได้แล้วว่าในช่วงที่เราปฏิบัติมาหลายวันเนี่ยอารมณ์รูปนามเป็นอย่างไรแล้วเข้าใจอะไรได้บ้างเนี่ย ไปทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งปันในสิ่งที่เราได้ค้นหาด้วยกันทั้ง9วัน10วันเนต่างคนต่างค้นหาวันสุดท้ายเนี่ยเราก็าจะมาบอกว่าเราได้พบอะไรบ้างใครได้เงินเท่าไหรได้ทองเท่าไหรได้เพชรเท่าไรได้พลอยเท่าไร่หรือได้ตะกัวได้ทาน ได้ขี้เท่าอะไรเท่าไหร่ก็จะมาบอกกันนะบางคนอาจจะได้แต่ขี้เท่าไปบางคนอาจจะได้เพชรไปบางคนอาจจะได้ทองไปบางคนอาจจะได้เงินไปบางคนอา จ, จได้ตะ ก, กั่วไปอย่างนี้นะแต่หาเหมือนกันแต่ได้ไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าใครจะมนะีความเข้าใจความขยันมันเพียนปฏิพานไววพริบนะทีนี้ก็ในเรื่องของ กิจตานุปัสนานี่คือในเรื่องของรูปนามคือเป็นการเรียนรู้ระหว่างการเชื่อมต่อระหว่งาง ก, กายเวทนากายเวทนาเชื่อมต่อกันอย่างไรนะแล้วก็ <c oughs> ที่มาของกายคืออะไรที่มาของเวทนาคืออะไรที่เรารู้ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็เรียกว่ารู้รูปนาม น, นี้ช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องว่าช่วงเวทนาต่อกับจิต เวทนาแล้ว่าไปแล้วทีนี้เรื่องจิตเวทนากับจิตเต่อกันอย่างไรนะที่เราจะเรียนกันเรื่องนี้ถ้าเข้าใจเรื่องเวทนาต่อกับจิตอย่างไรเนี่ยเรียกว่ารู้รูปนามระดับสูงละถ้ารู้เรื่องเฉพาะกายต่อกับเวทนาเป็นการรู้รูปนามระดับต้นระดับกลางนะซึ่งในเรื่องของ กายเวทน า, าเวทนาต่อจิตเนี่ยเราได้เรียนกันบางแล้วจากกายเช่นในความไม่สบายก่อให้เกิดความความรู้สึกไม่สบายกายก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างไรใช่ไหมเราเรียนกันไปแล้วที่นี้ความไม่สบายใจก่อให้เกิดอารมณ์ได้อย่างไรนี่เรียกว่าความจิตต่ออารมณ์นะ กันถ้าเราเข้าใจจิตต่ออารมณ์ได้ก็หมายความว่เาเราขึ้นสู่อารมณ์ประมัตและและต่อไปเราจะอารมณ์ออกจากจิตได้อย่างไรนะเป็นระประมัตขั้นสูงขึ้นไปตามลาดับอย่างนี้ใ น, ใ น, ในวิธีการหุวงพเทียนนะคือได้เห็นช่วงเชื่อมต่อเห็นที่ไปข้ามาของอารมณนะ์เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันจะไปไหนนะาะฉะนั้นในช่วงของจิต ล้วนๆเนี่ยตอนนี้มารู้จักจิตเสก่อนท่านให้รู้จักอย่างไรที่เราสวดว่ า, าสาราครังวาจิตตังสาราครังจิตตันติปะชานาติใช่ไหมว่าเมื่อจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่ราคะนี่คำว่าราคาในภาษากรมภานฑ์เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศแต่ท่านหมายถึงความพอใจ ความใคร่พอใจในสิ่งที่เราต้องการทางตาเช่นไปเห็นผ้าสวยๆเห็นเสื้อสวยๆอยากได้นี่ก็เป็นก็เราก็เกิดราคาพรเกิดราคาเราก็มีการต่อรองราคาใช่ไหมถ้าราคามากก็เลือกราคาสูงถ้าราคาน้อยก็เลือกราคาต่ําเพราะฉนั้นคนไหนชอบราคาสูงๆให้รู้ว่านั่นแหะมีราคามาก มีความอยากได้สิ่งนั้นมากอ่ะก็สู้ราคาสูงได้ใช่ไหมเงินราคาเท่าไหร่นถามแต่ราคากับราคาเนี่ยตัวเดียวกันแต่แปลคนละเรื่องภาษาอั ง, งกฤษนะถ้าเป็นราคาไปว่า Sex, Sexual, s e ร u เ i t y ชูอาริตไปเวลาคาไปว่า Price ไปว่าค o s t ไปนู่นเลย เออมันไม่ได้แปลว่เสกคนละเรื่องเลยทั้งท่านได้ลากศัพท์มาเดียวกันเออราคาเท่าไหร่ดูเหมือนไม่น่าเกลียดใช่ไหมถ้าไปถามว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่นี่ยุ่งนะดีวดีโดนตกพี่ออกมานะคุณมีราคาเท่าไหร่เนี่ยแต่เราถามเอออันนี้ราคาเท่าไหร่โอเคเนี่ยภาษามันหลอกเรานะดังนั้นเองสารังวาจิตังสารางังจิตันติประชนะันนั้นเมื่อจิตมีความรักความชอบใจในสิ่งใดก็ให้รู้ว่าจิตชอบแล้วนะ ความชอบกับจิตเนี่ยมันคนละอย่างกันจิตเดิมแท้เนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบอจิตเดิมแท้เหมือนน้ําใสสะอาดใช่ไหมถ้าราคะกับมันหยดน้ําตาลลงไปก็จะกลายเป็นน้าําเปล่าก็กลายเป็นน้ําอะไรน้ําหวานเนี่ย น, น, น, นั่นเป็นราคะแล้วหรือน้าําเปล่าๆพอหยดน้ําขมลงไปก็เป็นน้ํา ผมนะโสสะโทสรงว่าจิตตังสะโทสรงจิตตันติประชานาติเมื่อจิตมีโสสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโสสะวีตราคังว่าจิตตังวีตรารังจิตตันติประชานเมื่อจิตไม่มีราค Here, ะคือจิตไม่ไปเห็นน้ำเขาด่มน้ําเฉยๆไม่ได้คิดว่ายไอ้น้ํานี่จะหวานเนาะน้ำนีน่น่น า, นนนานนนจะเป็นน้ําจุยเนาะน่าจะเป็นน้ําแข็งเนาะน้านี่จะเป็นน้ํากาแฟเนาะไม่ได้คิดถึงจุดนั้น ที่ตัวดื่มน้ําก็คือดื่มน้ําแต่จะดื่มน้ําแล้วถ้าได้น้ํำเย็นก็ดีนะนี่ราคาขึ้นขึ้นแล้วใช่ไหมพอได้น้ําเปล่ากับน้ําเย็นเนี่ยไปซื้อน้าเย็นละมีราคาแล้วคือไปซื้อน้ำจุ้ยมานะขวดไปซื้อน้ํำโคกน้ําอะไระบููบอยเฮบูบอยมาสักขวดเนี่ยมีราคาแล้วทีนี้แต่ดื่มน้ําเปล่าไม่มีราคาเนี่ยก็ให้รู้ว่าดื่มน้ําเปล่าดื่มน้ําหวานก็ให้รู้ว่าดื่มน้ําหวาน ดื่มน้ำขมก็ให้รู้ว่าดื่มน้ำขมดูดืดด่มน้ำไม่ขมก็ให้รู้ว่าดื่มน้ำไม่ขมเนี่ยมันกระนำจิตของเราเนี่ยมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตร้อนเหมือนน้ำร้อนดีกว่าในวะันน้ำขมจิตมันร้อนจิตไม่ได้ร้อนอะไรร้อนอจิตเดิมแท้ม ไ, มแทมไม่ได้ร้อนน้ำเดิมแท้ไม่ได้ร้อนใช่ไหมแต่ที่มันร้อนขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเอาน้ำไปตั้งไฟ ไฟอารมณ์เลยนะอย่าข้ามขั้นตอนให้มันเห็นตามลำดับเพราะน้ํามันร้อนเพราะน้ําไปตั้งไฟเลือยไฟน้ําไปเสียบไฟไฟน้ำร้อนเพราะฉะนั้นที่มันร้อนไม่ใช่น้ําที่มันร้อนคืออะไรไฟแต่ไม่อยู่ในน้ำได้ไงเขาบอกน้ํามันดับไฟใช่ไหมแต่นี่นะไฟมันไปอยู่ในน้ําอ่ะอ่าเนี่ยน่าคิดมหเพราะตัวร้อนคือไฟแต่มันไปอยู่ในน้ําแต่เพราะน้ําไปอยู่กับไฟ น้ำมากระดับไฟแต่ไฟมันอยู่ในน้ําน้ำมาไฟมันน้าไฟมันอยู่ได้แต่ไฟมันอยู่ได้อะแต่ถ้าเอาน้ําไปดับไฟไฟอยู่ไม่ได้คิดไหมคิดไม่ทัน <c ười> <c ười> คิดไม่แล้ขนาดพาฝึกฝึกสมองลองปัญญาทุกวันก็ยังคิดไม่ทันอยู่นะ <c ười> ถ้าไฟอยู่นั้นเอาน้ําไปใส่มนะันอะไฟดับใช่ไหม แต่น้ำอยู่นะ่าเอาไฟไปใส่มันน้ากับร้อนไฟอยู่ไดอ้อันนี้คือเรียกวขบวนการจิตของเราเหมือนกันถ้าเราเอาจิตไปใส่โทสะจิตมันจะร้อนจะเอาโทสะมาใส่จิตโทสะมันก็จะร้อนอยู่ในจิตทีนี้ถ้าจะดับถ้าจะดับไฟนะถ้าจะดับความร้อนจะทำยังไงถ้าดับความร้อนจากจิตเนี่ยเราจะทําังไง เหมือนกับเอาน้ําที่มันร้อนทําไงให้มันเย็นอ่าเวลาจะดื่มน้ําอุ่นใช่ไหมเหมือนกับน้ำขวดธรรมดาคนชาตโลกดื่มน้าอุ่นทำไงผสมลงไปแต่ผสมน้ําอุ่นลงไปแล้วจะทําให้มันเย็นทําไงเติมน้ํำเย็นลงไปน้ําก็จะเป็นน้ําอุ่นได้น้ําธรรมดา เหมือนกันเมื่อจิตเราร้อนแล้วก็เติมน้ําเย็นลงไปน้ําเย็นคืออะไรสติสัมปชัญญะอ่ามาเจรินสตินี่คือน้ําเย็นน้ําเปล่าน้ําเย็นไม่ใช่เดินน้ำเย็นเร็่ม น, น, น้ำเปล่าลงไปเนะี่ยมันก็จะหายร้อนหนึ่งแต่ก็เติมลงไปเยอะๆใช่ไหมถ้ามันร้อนเยอะก็ต้องเติมตรงนี้ไปเยอะยิ่งเติมเยอะเท่าไหร่สมมุติว่าเอาละน้ําร้อนแก้วหนึ่งเราเติมน้ําเปล่าไปแก้วหนึ่งก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมเติมไปสองแก้วอุ่นขึ้นมาหน่อยสามแก้วอุ่นเพิ่มหน่อย สิบแก้วยี่สิบแก้วร้อยแก้วยังร้อนอยู่ไหมไม่ร้อนไม่เหลือแล้ว <c oughs> ไม่เหลือแล้วนั่นถ้ามันร้อนว่าบขึ้นมาเติมสติเข้าไปเยอะๆๆๆจิต ท, ที่มันร้อนวา่วาบเมื่อกี้มันก็เย็นลงเนี่ยวิธีการเพราะฉะนั้นสติน้อยเนี่ยพอใช่ไหมแต่ร้อนเข้าไปก้อนหนึ่งเอาสติเข้าไปก้อนหนึ่งมันก็ยังร้อนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความร้อนก้อนนึงเอาสติเข้าไปตั้งร้อยก้อนมันถึงจะเอากันอยู่ แต่ถ้าสตินั้นเย็นมากๆนะก้อนต่อก้อนก็นยังเอากันอยู่นะถ้าน้าร้อนๆนั้นน้ำแข็งไปใส่เนี่นะเออก็แต่ว่าน้ําแข็งวางอย่างเนี่ยไปสู่ร้อนมันไม่ละลายนะอ่ามันยังเป็นก้อนอยู่ไปใ ส, ส่ช่องฟิสได้เวลาจะเอาเอะไรไปใส่ช่องฟิสเวลาจะมาต้มมาแกงเนี่ยใช่ไหมมาวางไว้เป็นครึ่งวันถึงจะละลายขณะไปต้มในหม้อมันยังไม่ละลายอะ่ะช่องฟิสขนาดนั้นสมัยก่อนมาไปเรียนหนังสืออยู่ที่ศรีลังกาเนี่ย พระท่านไปซื้อไก่มาแต่ไก่เป็นก้อนน่องแข็งเน่ะจะมาแกงทีไรต้องมาต้มเพือชั่วโมงกูามาเจาละลายนะ <c oughs> เออมาต้มก่อนใ ห, ให้น้องแข็งละลายถึงจะได้กิไก่ได้เหมือนกันลักษณะที่จิตของเราเนี่ยเอาไปใส่ช่องฟิตก็ไปใส่สมถะมันเย็นมากๆสมถะนะเพราะฉะนั้นสมถะก็เหมือนกับเอาเอาเอ า, เอาจิตเนี่ยไปใส่ในช่องฟิต ไปซ่องฟิตคืออะไรในชานไปแช่ในชานจิตเลยเย็นเลยจิตมันเย็นเกินไปแต่เย็นนิพานคือเยมนลมเอื่อยเย็นสบายๆอย่างอยู่โลกไม้เนี่ยอยู่น้ําในห้วยในน้ําน้ำใสในป่าในหนองมันเย็นสบายๆใช่ไหมอันนี้ถ้ามันเย็นเกินอยู่ไปก้อนน้ำแข็งนี่นเขาเรียกเย็นเป็นสมถะอันนี้ไปนิพานไม่ได้เย็นเกินไปเพราะอะไรเพราะมันเกินเหมือนเอาจิตไปใส่ช่องฟิตก็คือช่องฟิต เท่าไรสาสิบดีกรีช่องฟิสสี่สิบดีกีช่องฟิตห้าสิบดีี่ช่องฟิแปดสิดีีช่องฟิตร้อยดีกแข็ ง, ขงเป๊กเลยใช่ไหมช่องฟิสามสินาทีก็ช่องฟิตช่องที่หนึง่งตู้เย็นน่ะนะพี่ชาช่องฟิตก็คือแปดเก้าสิบ์นใส่ในของกลายเป็นนกแข็งไปเลยนะจีตของเรามนการชา้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปถึงที่แปดเย็นเป็นก้อนนกแข็งไปเลยพวกนี้อายุอยู่ได้นานเป็นพมเป็นม น, น, นหมืนหมนหม่นปีพวกนี้ไม่ค่อยละลายเท่าไหร่ เอไม่ค่อยละลายพรุทธเจ้าก็บอกนี่ไปนี่ผ่านไม่ได้ปฏิทแค่สมาธิแล้วพอหมดสมาธิก็กลับมันอามาลงเอาใบเหมือนเดิมอ่าจิตนั่นเหมือนกันเพรอเอามาละลายน้ําแข็งแล้วมันก็กลายเป็นอ่าไก่ตัวนั้นเน่าไปเลยถ้า้ราแข็งละลายมันมั น, ลลนทนไม่ได้จิตเราก็เหมือนกันเมื่อเราไปชอบนั่งสมาธิบ้านเราเนี่ยนั่งแต่สมาธิแต่ในที่สุดจิตมันไปสู่ช่องฟลิต เข้ไปสู่ชาญสู่เสบมาบัตอะไรแล้วมันก็จิตนั้นก็แข็งเป็นหินไปเลยเ ย, ยน็นเ ย, ย็นจนแข็งไปอันนี้เขาเรียกว่ามันสุดตรงแต่ถ้ายยเย็นไปนี่ผานคือลมอื่อยเอื่อยสบายๆหลังฝนตกเข้าไปสู่ร่มไม้ตอนร้อนๆไปได้กินน้ําทานน้าเย็นๆตอนร้อนๆนิพผ่านแค่นั้นไม่ท้อใส่น้นําเย็นถ้าใส่น้ําเย็นลงไปเป็นเริ่มเป็นสมถะแล้ว แต่เอาเย็นโดยธรรมชาติน่เป็นนิาพานเย็น ก, กลางๆเย็นสบา ย, บายเย็นแบบวิปัสนาเย็นแบบนี้เขาเรียกว่าปัสธิชุ่มชื้นนะเป็นปัสธิเป็นชุ่มชื้นนั้นในจุดนี้ท่นานใช้คาว่า b r i ชบีเอล s อไม่ใช่คูลไม่ใช่คูลแต่ว่าใช้บ d g e เย็นแบบสงบสุขใช่ไหมฮะ บลิชอ่าอ um, e ่าเย็นแบบไหนบลิชคามคูนคามไม่ใช่บลิชสักผ้านะบลิักผ้าไม่ได้ไม่งั้นเราจะบลิ่างนั้นน่ะบลิชแบบนั้นแหะมันคามแบบฟ้าหลังฝนมันสดชื่นอ่ามันเป็ฟ้าหลังฝนไม่ใช่เย็นแบบหน้าหนาวที่มันที่หนาวแบบหน้าหนาวทางนี้นะ มันเย็นแบบฟ้าหลังฝนเย็นสดชื่นเวียนเปียปลอดโปร่งสบา ย, บายนั่นเย็นแบบลักษณะนิพานนะเะทีนี้จิตที่เราจะรู้จักตรงนี้ว่าหนึ่งจิตมีราคะสองจิตมีโทสะสามจิตมีโ ม, มโห ะ, ะจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะระหว่างจิตมีราคากับจิตไม่มีราคาในอันไหนเป็นเกิดใ น, นเป็นดับนี่เราจะรู้จักการเกิดดับตรงนี้เอง จิตมีความพอใจกับจิตไม่มีความพอใจจิตมีความชอบใจกับจิตไม่มีความชอบใจเนี่ยอันไหนเป็นเกิดอันไหนเป็นดับไม่ต้องคิดอ่ะสูตรนี้ว่ากันมาหลายวันแล้วน่าจะตอบเป๊ะๆได้เลยอืมฮะจิตมีความพอใจความไม่พอใจความไม่พอใจกับไม่มีความไม่พอใจคำพิเศธซ้อนคฏิเศษไม่มีความไม่พอใจความพอใจไม่มี ความพอใจและไม่มีความไม่พอใจด้วยนั่นก็เป็นดับใช่ไหมความพอใจก็ความไม่พอใจก็เป็นเกิดความไม่มีทั้งสองอย่างนั่นเป็นดับเพราะนั้นเราเห็นการเกิดการดับทันทีไหมเวลาจิตมันคิดขึ้นมาไม่พอใจขึ้นมาพอสติก็หนดปับ๊บความไม่พอใจดับเห็นการเกิดรู้อ้อ <Lion heart> นี่ความไม่พอใจเกิดแล้วก็รู้เห็นการเกิดใช่ไหมเอาสติเข้าไปดูเดี๋ยวมันหายไปอ้อดับแล้ว ไม่ได้หมายถึงจิตดับแต่ความร้อนในจิตมันดับไปเราดูอ้อขณะนี้ชอบใจนะก็ดูออฉันชอบใจก็ดูตั้งใจดูดูจิตไม่เห็นหรอกมันต้องดูที่ไหนดูที่กายดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำดูกรรมเห็นปรมาตถะอริยสัจเห็นนิพพานดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทาพอจะไปดูความคิดคือดูอารมณ์ที่มันคิดอ่ะ ว่าเรืนี้กำลังคิดเรื่องอะไรคือไปดูสิ่งที่ตกลงไปในน้ําสมมติน้ำใสๆเนี่นะพระใบไม้ตกลงไปปิ้งนีหรือหินตกลงไปปิ้งมันเห็นแล้วตัวนั้นคือตัวอารมณ์ที่ตกลงไปนะแต่หากว่าพวกราคะโทสะโมหะพวกนี้มันก็เหมือนไอ้น้ำสีต่างๆอะไรแต่สมมุติให้มันตกลงไปก็เป็นสีนะสมมติาราคะหรือเ อ, เอาสีอะไรสีแดงอย่างนี้นะ โทสะสีแดงาราคะอาจจะเป็นสีเขียวโมหะจะเป็นสีดำพวกนี้ตกลงไปน้ําก็จะเป็นไปเพราะได้ความดํากับน้าานําใสๆในคนละอย่างแต่ตกไปแล้วมันเป็นสีเดียวกันจิตของเราเหมาือนกันจิตของเรามันจิตเดิมแท้เนี่ยพออารมณ์ตัวใดตัวหนึ่งพอใจไม่พอใจเฉยๆตกลงไปปั๊บจิตก็จะเป็นสีนั้นวิปัสสนาก็คือทําหน้าที่แยกออกม า, าสีออกมาจากน้ําอีกทีหนึ่งยากหรือง่าย หยุดเข้าไปแค่เสี้ยววินาทีใช่ไหมตอนที่จะแยกออกกันใช้ใช้นาทีเอาแยกออกได้ไหมไม่ได้นะบางทีไปกองไปชั่วโมงมันยังไม่ออกเลยเนะี่ยนี่แหละเวลาไปรับเนี่ยอะไรชอบใจไม่ชอบใจง่ายเหลือเกินแต่มันนั่งวิ ป, ปัสสนาหูนั่งแล้วนั่งอีกมันไม่ยอมออกยกมือแล้วไม่รู้กี่รอบมันยังเออมาอยู่นั่นแหละแถมนั่งยกมือมันก็ยังตกไปเฉยเลยใช่ไหมนั่ น, นเห็นไหมนี่ไม่นยากเพราะฉะนั้น จิตเดิมแท้นั้นสะอาดและผ่องใสจิตเดิมแท้คืออะไรอ่าทีนี้ถ้าเขาถามเราอะไรคือจิตเดิมแท้อธิบายหน่อยได้ไหมเนี่ยเราจะอธิบายว่าไงอะไรคือจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหละจิตเดิมแท้น่ยคือความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกเฉยไม่ใช่นะความรู้สึกเฉยเป็นเวทนาต้องเป็นความรู้สึกตัว ความรู้ตัวทั่วพร้อมคือสติสัมยาเป็นจิตเดิมแท้แต่ถ้าเมื่อใดแต่สติสัมยะที่เป็นสรรชาติยานเป็นจิตเดิมแท้จนกว่าสร้างสติสัมยาให้เป็นปัญญาตัวนั้นแหละถึงจะเป็นตัวสติปฐานสติเดิมแท้ต้องเปลี่ยนมาเป็นสติประฐาน เด็กทั้งหลายที่เด็กอ่อนเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเงาของพระอรหันต์ใช่ไหมเด็กอ่อนเนี่ยมีจิตเดิมแท้เยอะเลยเด็กเขาจะมีพลังมากเลยแต่ใ น, นเมื่อเด็กไปถูกความพอใจไม่พอใจกระทบเนี่ยเด็กก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นไม่สามารถจะรักษาจิตเดิมแท้ไว้ได้เพราะเขายังไม่มีอะไรยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นปัญญาแต่เรานี่รักษาจิตเดิมแท้ไว้ได้รักษาจิตกวามรู้สึกตัวทั่วพร้อมไว้ได้เหมือนเดิมเพราะเราพัฒนาสติสัมยาให้เป็น ปัญญาได้พัฒ น, นาสติมยะที่เป็นสรรัญชาตญานะให้เป็นสติมยะที่เป็นปัญญาแล้วตัวปัญญาที่พัฒนามาจากนั้นก็จะไปรักษาตัวจิตเดิมแท uhh. ้ให้เป็นบริสุทธิ์เหมือนเดิมเหมือนพระอรหันต์ท่านจิต พ, พระอรหันต์ก็จิตเด็กเนี่ยเหมือนกันคือมีจิตเดิมแท้เหมือนกันแต่จิตของเด็กยังเป็นเดิมแท้แบบยังไม่มีปัญญาเป็นสัญชาตญานะอยู่แต่ของพระอรหันต์เป็นสัญชาตสติสมิยะเป็นปัญญาญาณแล้ว เพราะ น, นจิตเดิมแท้ของท่านจึงไม่แปลเปลี่ยนไปกับสิ่งที่กระทบเข้าใจไหมจว่าท่านใช้คาว่ า, าประพัสรมิทังจิตตังอาคันตุเกเสหิอุปกรณทังพุะยาท่านนะประพัสรมิทังจิตตังว่าจิตเดิมแท้นั้นประพัสร อาคันตุเกเสหิอุปกรณ์เมื่อมีอาคันตุกะกิเลสเข้ามากระทบจิตนั้นจึงเศร้ามองไปนี่คือจิตเตือมแท้ที่ยังไม่เป็นยังไม่ไมีปัญญานะถ้าจิตที่มีการพัฒนาตามระบบของวิปัสสนาที่เราปฏิบัติกันเนี่ยเราก็พัฒนาตัวสติมญาที่มีอยู่ให้เป็นปัญญาทีนี้สติมญาที่มีอยู่เนี่ยจะทําให้เป็นปัญญาได้อย่างไรอ่า บอกมาหลายวันแล้วเนะี่ยถ้าตอบไม่ได้สอบตกแน่เลยงานนี้จิตที่เป็นสติสัมยะที่เป็นเดิมแท้เอามาฝึกให้เป็นปัญญาด้วยการตามรู้การเกิดและการดับของรูปเรนามก็ <Simple. S 1> ยังบอกอะเรานั่งเงี้ยความไม่สบายมันเกิดได้ใช่ไม้มพอลุกขึ้นความไม่สบายยังอยู่ไหมหายแล้วมันดับไปแล้วแล้วอะไรเกิดขึ้นมาแทน ความเบาเกิดขึ้นมาแทนใช่ไหมความหนักหายไปความเบาเกิดขึ้นมาแทนช่วงระหว่างความเบาความหนักต่อเนื่องกันนั้นเราเห็นการเกิดการดับการเกิดขึ้นของความเบาและการดับไปของความหนักเวลาเรานั่งลงไปแล้วก็เห็นเกิดขึ้นของความหนักและการหายไปของความเบาการมีสติตามรู้อยู่ตรงนั้นเรียกว่าเปลี่ยนสติสมิยะให้เป็นปัญญาในขณะนั้นเองแต่เป็นโลกุตรปัญญายากไปไหม ยากก็ต้องฟังแหละมันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แลออแต่ว่าต้องต้องทําให้ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องคิดไหมเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันไม่ต้องคิดอ่ะแค่สัมผัสอ้าวนี่เอานี่เนี่ยแหงไม่ได้เข้าใจก็ไม่ได้วนอ่ะก็โยมแค่ลุกขึ้นอ่ะโยมก็รู้แล้วว่าอะไรเกิดอะไรดับใช่ไหมแต่เพียงแต่มันเป็นสํานวนที่เราไม่คุ้นเท่านั้นเองแต่มาก็หมดปัญญาที่จะพูดให้ง่ายกว่านี้แล้วนะ <laughs> มีมีปัญญาอยู่แค่นี้แหละ <laughs> อ, อ่าเจ็บขาเนี่ยเกิดแล้วใช่ไหมที่ที่ทำไงให้ขามันหายหเจ็บเพราะนั้นการเจ็บขาข้างในกับการปวดขาเนี่ยมันต่างกันการ เจ็บปวดไม่แต่นั่งก็ยังปวดไม่แต่ลุกก็ยังปวดอยู่แต่เจ็บขาปกติที่เป็นของอนิจังทุกขงังนาตานั้นเวลามันปวดตอนที่เรานั่งนานๆเท่านั้นเองใช่ไหมเวลาลุกขึ้นความปวดก็หายทันทีนี่คือเรืวว่องขอความเจ็บความปวดที่เกิดด้วยอํานาจของอานิจังทุกขังดา ท, ที่เป็นปัจจุบันแต่ลักษณะที่ความเจ็บความปวดมันไม่ออกไปปลอมบัดแล้วก็ไม่ออกเนี่ยเพราะอะไรเพราะนั่นคือเป็นวิบากกรรม เพราะอะไรจึงเป็นไรรม่ประกำเพราะว่าเราไปนั่งทับกดข้อนี้จังนานเกินไปไม่ไม่มีสติในการเปลี่ยนไม่ก่อนที่มันจะเป็นปวดท้าวเนี่ยมันจ้อปวดนิดนิดมาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้บําบัดมันสมัยที่เราไม่รู้ตัวไงสมัยที่เราไม่รู้ตัวเราไปทําอะไรบางอย่างที่แช่อยู่กันนั่นนานๆเราไปนั่งทับกดอย่างนั่งสวดธรรมดนานๆไปขาเน็บคาช่ายใช่ไหม เน็บชาขึ้นนั่นเพราะเราลืมตัวในการสวดแทนที่จะพลิกจะเปลี่ยนแล้วก็สวดไปอ๋อพอสวดเสียแล้วลูกไม่ได้แล้วหาเน็บเราเพราะอะไรนั่นคือวิบากกรรมเพราะเราไปทับกฎของอา น, นิจังอา น, นิจังคือกฎเลือดลมมันจะต้องไหลเวียนใช่ไหมแต่เราไปบล็อกเขาไปชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะนั่งกรรมาฐานนั่นคือสร้างวิบากกรรมกับตัวเองเขาเรียกเบียดเบียนตัวเองทําใดที่เป็นคําสอนของเราตะทาคต ไม่เป็นประเภทเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นถ้าทําได้เป็นเพื่อเบียดเบียนอะไรพื่นๆทำนั้นไม่ใช่ทำของเราแต่ถาคตแต่เราก็ยังเบียดเบียนตัวเองอยู่นั้นเราไม่ฟังพุทธเจ้าแต่เราฟังเกีตของเราเองก็เฉยๆนัน่งให้มาสักสามชั่วโมงจะว่างไงเ ร, เ, นนเราก็ไม่ใช่เป็นนําเท่าหรอกเป็นนํำพ่อขาดสตินั่นแหละ ป, <ว> <laughs> ปวดหมดแต่ว่าเราต้องขยับเอามานั่งสามชั่วโมงมไม่ปวดเลยอะ่ะแต่ว่า อ๋อปวดธรรมชาติเ <laughs> อามานั่งสามชั่วโมงไม่ปวดเพราะอะไรเพราะเขาขยับไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทนั้นเองก็เราก็ตามกฎอนิจจังไงใช่ไหมอ๋ออ๋อเราได้ถ้าปวดแบบวิบากกรรมนั้นรักษา ย, ยากมันต้องใช้เวลาการที่ทเราสะสมเข้ามานะดังนั้นวิบากกรรมเกิดเพราะเราผิดกฎของไตรละ ถ้าเร า, าทําอะไรไม่ผิดกฎของไตรลักษณ์วิบากกรรมมันไม่มีเพราะฉะนั้นผู้เจริญสติถึงเอาชนะวิบากกรรมได้ไงเพราะว่าเรามาแก้กฎไตรลักษณ์แก้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็วิบากกรรมมันก็หมดเพราะฉะนั้นสติเนี่ยเอาชนะกรรมได้ไงเพราะว่าเราไม่แช่ในในกฎอันั้นเพราะฉะนั้นความเจ็บ ป, ป่วยเกิดขึ้นเพราะเราทําผิดกฎของไตรลักษณ์แต่ถ้าเราปฏิบัติตามถูกกฎของไตรลักษณ์แล้วความเจ็บ ป, ป่วยวิบากกรรมก็จะไม่เกิดใช่ไหม เข้าใจนะเอมันเกิดได้อย่างไรเนี่ยเป็นโรคตับโรคไตโรคปอดโรคอะไรต่างๆก็เพราะว่าเราไปบล็อกการเจริญเติบโตของเลือดลมที่เขาจะหมุนไปตามนั้นเราเอาอาหารไปบล็อกมันบ้างเราเอาอาการไปบล็อกมันบ้างเราเอาสิ่งเสพติดไปไปกดไปทับมันไว้บ้างมันก็ไม่สะดวกเลยใช่ไหมอย่างลมเนี่ยเขาหมุนตามธรรมชาติเอาคนบุหรี่ไปบล็อกเขาเนี่ยนะมันก็ผิดธรรมชาติแล้วได้ไหมมันก็เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บ อาหารบางอย่างมันไปบล็อกการไหลเวียนของความสะดวกของเลือดของลมมันก็เกิดเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นวิบากกรรมไม่ใช่มันจะมาลอยๆนะมันมีเหตุแต่พอเราขาดสติสัมยาไม่รู้เท่าทันกฎของนิจังทุกขณาตาวิบากกรรมถึงได้เกิดขึ้นแต่ในเมื่อเราเจริญวิปัสสนาเข้าใจทั่วถึงแล้วเนี่ยเราก็เอาตัวสติสัมยาเนี่ยไปแก้วิบากอันนั้นมึอแม้จะมันสั่งสมมานานแล้วแต่ขยันแก้มันก็หลุดได้เหมือนกันถ้าไม่หนักหนาสาโหดเกินไป ัวชาติที่แล้วไปค่ า, น, า <laughs> นั่นนะ่ะไปโน้นโยงไปโน้นเลยนะอไปกินยาเพิ่งใช้ยาทาเพราะมันก็ใช้ยาแล้วใช้หลักพิเศษแก้ปลายเหตุแล้วเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นความเจ็บป่วยทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราทําผิดกฎของใจรักเท่านั้นเองถ้าเราไปแก้ก็แก้ต้นเหตุของมันแก้ที่ใจรักถ้าเราไปแก้ไปเหตุก็ไปกินยาใช่ไหมไปหาหมอ มันก็เดี๋ยวก็ไปหาอีกอะ่ะพอมาได้แก้ต้นเหตุต้นเหตุก็ต้องมาเจริญวิปัสนาเราไปแก้ที่ไตรักจบเพราะนั้นพระวิปัสนาจึงไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะท่า น, นไปแก้ที่ต้นเหตุไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุถ้าแก้ปลายเหตุก็กินยากันไม่เสียสักเทียนะามาไม่ได้กินยาหามหมอมาหนี่หลายปีแล้วนี่ยนะยาเคมีนะแต่ยาสมุนไพรกินอยู่เพราะว่นั้นเป็นยาบํารุงด้วยเป็นยารักษาป้องกันด้วยยาสมุนไพรเนี่ย เออเอาโมหะนะที่นี่พิกีเราบอกพูดถึงว่าจิตมีราคะให้รู้จิตมีโทสะจิตมีโมหะโมหะพูดไปเมื่อวานแล้วไงโมหะเกิดมาจากอะไรอุเปกขาเวทนาใช่ไหมหอย่าลืมประเด็นนีิอุเปกขาเวทนาเพราะเราอุเปกขาเวทนาเกิดมาจากอะไรอทุกขมาสุขเวทนาใช่ไหมอทุกขมาสุขเวทนาเพราะเราไม่ชัดในแง่ของสุขที่ทุกข์เกิดขึ้น ทุกเกิดขึ้นอย่างไรก็กไม่เห็นสุขเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่เห็นหนักเกิดขึ้นอย่างไรก็ไม่เห็นที่มาเบาอย่างไรก็ไม่เห็นที่มาจะลุกป้าบก็ไปเลยไม่เห็นหนักเห็นเบาหายไปยังไงใช่มแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนโมหะให้เป็นปัญญาได้ก็อ้าวนัง่ง น, นานๆรู้สึกมันหนักใช่ไหมก็ตั้งสติก่อนเอ๊หนักมันมาได้อย่างไรอ๋อเพราะไปทับเลือดทับลมทับการหมุนเวียนของเลือดของลมมันถึงไปบล็อกตรงนั้นเหมือนรถติดจราจร มันไปไม่ได้ทีนี้เราจะเอาหนักนีก้ยกขึ้นเห็นหนักมันหายไปเห็นเบาเกิดขึ้นอันนี้ไม่เป็นดูเปขาเวทนาแล้วเปลี่ยนเป็นปัญญาเพราะเรามีสติสมัยะที่ไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวการเกิดดับไม่มีสติแยเข้าไปเกี่ยวข้องตัวการเกิดดับที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดยที่เราไม่รู้มันจึงกลายเป็นโมหะ เข้าใจยังไม่ใช่ชูว่าโมหะเกิดไม่ยังไงอะยังก็เอาไปปฏิบัติต่อก็แล้วกันเดี๋ยวเข้าใจ <laughs> ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เห็นเออเ่างเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามเอามือของตัวเองเนี่ยมาบีบแขนเอาทําตามบีบอยู่ที่แน่นๆมีขี้ความหนักตรงนี้มีไหมความหนักของหนุนนี้มีไหม ก่อนหน้าที่มาจะบอกมันมีไห ม, มตัว น, นี้มีใช่ไหม <c oughs> ลองปล่อยดิยความหนักหายไปไห น, นไความหนักที่บียดเข้าไปหายไปแล้วใช่ไหมมันหายไปยังไงปล่อยว่างอออ <laughs> เออนะก็ตจอก ง, ง่ายง่ยงยแค่นั้นเองก็ปล่อยวางแต่การที่จะปล่อยวางต้องรู้ด้วยนะว่าว่าความหนักเกิดขึ้นใดเพราะเราไปยึดมันถือมันมั น, ม น, มนใช่ไหมแต่พอเราปล่อยวางปั๊บความเบาเกิดขึ้นทันทีไหม อ่าเพราะการรู้การปล่อยการวางตัวนั้นความทุกและการยึดนี้นก็ออกไปเวลาเรานั่งมันหนักใช่ไหมเวลาลุกขึ้นแล้วก็ปล่อยวางตัวนั้นไปเสียความบาก็เกิดขึ้นแต่เรารู้ก่อนที่จะยึดรู้ก่อนที่จะปล่อยการที่เขาไปรู้ว่าตัวหนักเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเบาหายไปได้ใหญ่ตรงนี้เป็นตัว ปัญญาแทนที่จะเป็นโมหะแต่ถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกหนักเราก็ลุกขึ้นเลยโดยที่ไม่ตามรู้ดูนั่นกลายเป็นโมหะเพราะไม่เห็นการเกิดและการดับของอาการอาการความหลงไงก็ลื่องหลงลืมในการที่จะดูสิ่งที่เกิดขึ้นนั่งอยู่ระบไปอ่ะแล้วก็ไม่เรียกว่าความหลงนะซะแต่ไม่เรียกว่าความลืมความลืมกับหลงต่างกันใช่ไหมเหมือนกันหรือต่างกันลืมกับหลงไงต่างกันยังไง อ <laughs> คนที่ประสาทไม่เสียมก็หลงได้เ อ, อ, อย่างพวกคนหนุ่มส า, สาวนี่เขาก็หลงประสาทเขาก็ดีอยู่นะประสาทเสียมไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าหลงเพราะธรรมธรรมชาติของคนแก่แต่คนหนุ่มก็ยิ่งหลงใช่ไหมเพราั้นประสาทเขาก็ดีอยู่ออะมันไม่ใช่ความหลงคว่มลืมคา ว, า ว, าลวามลืมคืออะไรอ้าว่าความลืมความลืมคืออะไรต้องหาคําจำกัดความมือความลืมเพ่ออะไร ไม่ใช่ขาดสติลืมเพราะไม่ใช่ลืมเพราะจําไม่ได้ <laughs> <laughs> อะไรไปหาคิดหาคําที่มันยากก็มันจําไม่ได้มันลืมอ่ะไม่ใช่ขาดสติแล้วก็มันจําไม่ได้ <laughs> <laughs> <laughs> อ่ะเอาล้วทีนี้ความหลงหลงเพราะอะไร <laughs> ไม่ใช่คนละหลงก็ลืมคนละอย่าง หลงเพราะถูกหลอกเออหลงเนี่ยเพราะถูกหลอกถึงหลงเออแต่ลืมมันจําไม่ได้แต่หลงมันถูกหลอกมันต่างกันนะเพราะว่าลืมเนี่ยมันเกี่ยวข้องด้วยระบบในร่างกายของเราไม่ทํามาตในขณะนั้นเท่านั้นเองมันเรื่องของกายแต่หลงเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเพราะเราถูกหลอกลิ้นของเราถูกหลอกให้เรากินอาหารหลอกเรากินกินกินกินกินใช่ไหมแล้วก็อ้วนแล้วก็หนักแล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะลิ้นเราหลอกเราใช่ไหม แล้วทำไมได้ถูกหลอกอะตามันหลอกก่อนตามันหลอกก่อนนานตาก็หลอกหูก็หลอกลิ้นก็หลอกจมูกก็หลอกกายก็หลอกใจมันถึงได้หลงไงหลงเพราะถูกหลอกนะแต่ลืมนั้นเพราะร่างกายมีอะไรที่ไม่พร้อมขนาดนั้นท่านั้นเองไม่ลืมเนี่ยไม่เป็นกิเลสแต่หลงเป็นกิเลสเพราะอะไรใช่ก็ ยายหลวงมีลูกตั้งหลายคนอะ่ะเ อ, อใครหลอกอะ่ะถ้ารู้อย่างที่ฉันไม่แต่งงานเลยใช่ไหมเออเขายังมาพูดกันบางทีใช่ไหมเขาถูกหลอกได้แต่ต้นเลยอะไรมันหลอกไม่ใช่ผู้ชายเขาหลอกนะนะั่นอ่ะไอเราหลอกตัวเองเขาก็หลอกต่อเราอีกชั้นหนึ่ง่างหากแล้วนะ อ, อความชอบของเราเ<อ>ขาก็ อ, อาศัยความชอบของเราหลอกเราต่อโมอันนั่นแหละคือโมหะอ่าตัวโมหะอ่เพราะฉะนั้นอันนี้จิตมีโมหะก็ให้รู้ หลงก็รู้ว่าหลงเอหลงก็รู้ว่าหลงแล้วไปหลงแล้วมันจะรู้ได้ยังไงเออบางทีเราหลงทางเราก็รู้ว่าหลงทางแล้วนะรู้ใช่ไหมแล้วก็หาทางกลับอ๋อหลงทางหลงเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราจะทำไงไมาให้หลงหนึงถามกัลยาณมิตรคือคนรู้ทางแล้วก็จอดรถถามเขา แต่คนขับรถส่วนใหญ่ก็เรียกว่าอาศัยเซ้นนะนะเฮ้ยมันน่าจะไปตรงนี้ไปมันหลงไม่รู้กี่สิบกิโลมันไม่ใช่แล้วเนี่ยนะเอามาดุคนขับรถของเรามาบ่อยๆแกจะคิดเอาอย่าไปคิดก็ถามเขาเสหน่อยจอดรถแค่วิสองนาทีสามีถามเขาเสหน่อยอันนี้แกพาหลวงมาเป็นชั่วโมงอะ่ะแกไม่ยอมเสียเวลาแค่นาทีเดียวอะ่ะก็ต้องโดนดุกันบ่อยๆก็จอดถามเขาหน่อยเสียคนที่เขารู้ก็มีนะเสียเกตนะเนี่ยเนะขาหลงนั่นแหละหลงตัวเองอะ่ะ หลงซ้อนหลงนั <tal ult pictures> ่นนะหลงช้อนหลงเลยทีเดียวนั่นน่ะหลงใหญ่เลยแหละหลงใหญ่เลยหละหล่าตัวคู่หลงว่าชั้นตัวหลงว่าตัวคู่อันนั้นเขาเรียกว่าหลงตกลืมตัวหลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่ที่เขาโบราณเขาว่าใช่ไหมโมหะโมหะโมหะก็เป็นโมหะอันนี้เป็นปลายของมันพวกนี้แต่ต้นของมันก็คือตัวหลงตาหูจมูกลิ้นไก่ หลงในรูปเสียงกีรติเราสัมผัสเนี่ยแหละแล้วใครเป็นหลงในสิ่งนั้นใครเป็นผู้หลอกละ่ะกิเลสเราหลอกเราเองไง อ, อ่าเพราะฉะนั้นคำว่าดีรู้เนี่ย delusion แปลว่าโมหะดีแปลว่าหลอกไงี้อะ you are d e l u d e by t h a t อ่า ah, you are d e l u d e by t h a s and t h a t ใช่เนี่ยคุณถูกหลอกเพรา ะ, ะนั้นจืปแลปลว่า delusion เราแปลเป็นนามคุณถูกหลอกขึ้นจึงหลงอย่าลืมต้นสับต้นเดิมเขา อทีนี้โมหะโมหะมาจากอะไรอ่ะสับเดิมเข า, าอ่ะโมหะมาจากมูทะลุนะมูทะลุดุดันโมหะมาจากโมหะเวลามราใช้ก็ไอ้นี่มันมุทะลุดุดันคือทําอะไรมันรีบร้อนมาเร่าร้อนไงมันไม่แยบคายอมูทลุดุดันโมหะเป็นโมห <c oughs> ะนั้นเราจะเห็นว่าความหลงกับจิตเนี่ยมันคนละอย่างกัน ใช่ไหมแต่ความหลงเนี่ยมักจะเปรียบเหมือนความมืดใช่ไหมจิตเดิมแท้เนี่ยเหมือนแสงสว่างถ้าจิตเดิมแท้กลับไปหาจิตเดิมแท้ความหลงก็หายไปถ้าจิตเดิมแท้ถูกอารมณ์บทบงังความหลงก็เข้ามาอารมณ์พอใจไม่พอใจนั่นเองการที่เราความหลงเกิดขึ้นได้อย่างไรเ อ, อิญน่าสนใจนะเดี๋ยวขอใช้กระดาษหนนะ่อยว่าความหลงเกิดขึ้นได้อย่างไรมาจากไหนถ้าไม่ไม่ไม่ใช้กระดานไม่เห็นภาพนะ มันยงกับความหนักกับความเบานั่นแหละเพราะความหนักก็คือความพอใจความเบาความเออความหนักก็ไม่พอใจใช่ไหมตัวเอาใช้คําว่าพอใจนะกับไม่พอใจก่อนเพราะมันต่อไปมันเป็นตัวเฉยใช่ไหมพอใจนะพอใจนี่สมมุติเราเบาเนาะบวกไม่พอใจนี่หนักเนาะ ตัวให้ดีนะการที่เราไม่รู้เท่าทันหนักไม่รู้เท่าทันเบาความหนักและความเบาจึงหลอกเราสําคัญว่าเราหนักเราเบาแทนที่เราจะรู้ว่าความหนักความเบานี่เป็นเพียงอะไรเป็นเพียงอาการของกายหรือความรู้สึกใช่ไหมแต่เราไปสําคัญว่าฉันเบาฉันหนักฉันพอใจฉันไม่พอใจการที่ไปหลงความอาการของกายนี่เองจึงเกิดมาเป็นโมหะ ความรู้สิ่งหลอกเรานี่มันก็เรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอุทุขม ส, สุขเวทนาตน้นตอของมันนะใช่ไหมอ่ะสุขเวทนาคือความอุเบกขาเวทนาใช่ไหมตัวนี้มันพัฒนามาจากอุทุขม ส, สุอุทุขมสุพัฒนาเป็ น, นอุเบขาอุเบกขาพัฒนาเป็นโมหังไงตงน้นตอของมันคือเราไม่ชัดเพราะฉะนั้น คว่าอทุกข์มสุขเวทนาไม่ใช่ว่าเฉยๆนะแปลว่าไม่รู้เท่าทันทั้งพอใจและไม่พอใจมันจึงเกิดมาเป็นตัวนั้นแต่ถ้าเรารู้เท่าทันสองตัวนี้เสียเนี่ยตัวนี้ก็ไม่เกิดทันไหมถ้าไม่ทันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้เพราะไม่รู้เท่าทันพอใจอเอาอีกทีเอามาชอบตรงเนี้ยเพราะเราหนักเราบอกเออหนักก้นใช่ไหมล่ะแต่ความจริงใครหนัก อะไรหนักที่เรานั่งลงไปอะไรหนักเราหนักหรืออะไรหนักลูก ห, หนักหรืออะไรหนักลูกก็ไม่ได้หนักแต่อาการอากา ร, อาการของกายอาการน<อ>ั้นเขาเรียกว่าอาการอาการสามทีสองพู้ไปแล้วว่อาการสามทีสองสรุปแล้วเหลืออยู่สองอย่างใช่ไหมคือาาพอใจไม่พอใจหนักเบาเข้าออกแค่นั้น สามในสอเหลือสองอาการแค่นั้นเองก็เลือสองาการคือพอใจไม่พอใจหนักเบาเจ็บไม่เจ็บเมื่อเรารู้เท่าทันอาการนี้เสียโมหะก็จะไม่เกิดจะสังเกตได้ว่าพุทธพจน์บางบทเนี่ยมันไม่มีโมหะนะเช่นท่านตัดไว้อย่างนี้ว่าสินจิพิกขุสินจะพิกขุอีมังนาวังสิตาเตระภูเมสติราคันจะโทสัญจะตัดโดนิพานะเมหิสิ ตรงนั้นไม่มีโมหันจัไม่มีโมนหันจักภิกษุเธอจงวิทเรือนี้เรืออันเธอวิทแล้วคือตัดความพอยใจไม่พอใจจากนั้นเรือของเธอจะแล่นไปสู่นิพพานไม่มีคําว่าโมหะเลยลาคันจักโทรชันจะแต่โดนิพพานนั้มีหิสิมาจับหลายที่ดูว่าโอ้โมหะมันมันไม่มีต่อเมื่อเราไม่รู้เท่าทันราคาและโทรศัพท์โมหะมันยังเกิดแต่เรารู้ถ้าเราทันราคาโทรศัเสีย โมหะไม่เกิดโมหะกลายเป็นปัญญาอ่ะปัญญาเกิดรู้เท่าทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่กล่าวไปวันก่อนว่าเรารู้เท่าทันอนิจจังสีปรากฏรู้เท่าทันทุกขังสมาธิปรากฏรู้เท่าทันอนัตตาปัญญาปรากฏที่เราพูดถึงวันก่อนว่าการเปลี่ยนใจรักให้เป็นใจสิขาก็มาจากตรงตัวสติสัมปญะนี่เองเราจึงฝึกตัวนี้ให้มากไงแต่ฝึกไว้มากแล้วใช้ไม่เป็นก็เป็นไง ได้ประโยชน์ไหมไม่ประโยชน์มชนหมายความว่าทำไมจึงใช้ไม่เป็นเพราะสติมิจฉาที่ฝึกแล้วยังไม่เป็นปัญญาเมื่อมันเป็นปัญญาแล้วถึงจะไปใช้ได้เพราะว่าสติมิจฉาที่ไม่เป็นปัญญามันไปเป็นสมาธิมันไปติดแค่สมาธิแล้วไปสู่องค์ชาต่างๆแต่สติมิจฉาที่ฝึกแล้วมันไปเป็นปัญญามันก็จะไปสู่ตัววิปัสสนาสู่สัมโพชฌงเลยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านเทคนิค ถ้าเราไม่วิจัยกันเรื่องนี้ชัดๆนะมันไปไม่ถึงไหนนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ดูใกล้ๆแต่มันลึกดูใกล้แต่มันลึ ก, ก, ลลกซึ่งในตำราเขาไม่ได้เขียนเอาไว้หรอกอ่าไม่ได้เขียนเอาไว้แต่เราต้องมาดูของจริงเพราะของจริงมันลึกกว่าตำราหลายชั้นตำราเนี่ยเอากลางแผนที่มากลางแค่เดินเข้าข้ามเดียวก็ข้ามแผนที่ได้แล้วใช่ไหมแต่คุณเดินข้าเดียวไปถึงแอลแลนตา้ามันทําไม่ได้นะใช่ไหม <laughs> แผนที่อเมริกาในข้าข้ามก็เดียวก็รอดแล้วใช่ไหม แต่คุณจะข้าวอเมริกาได้คุณนั่งเครื่องต่้งหลายชั่วโมงอะ่ะของจริงกัอของนี้คนละเรื่องตําราก็เหมือนที่เราก้าวข้ามแผนที่นั่นแหล ะ, อะพอตําราคือแผนที่ใช่ไหมแต่ของจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเขียนลงในตาัวอักษรได้เพราะว่ามันละเอียดเกินกว่าจะเขียนนะเขาเรียกเป็นปรมัดนะเป็นปรมัตดอันนี้ตอบคาว่าโมหะมาจากไหนจะใช่ชูแจงหรือยัง เข้าใจน้อยนึงพวกนี้ไปทาต่อก็แล้วกันพวกนี้ไปทาต่อเอาล่ะเดี๋ยวจะไม่จบนะจิตมีราคาจิตมีความพอใจก็ให้เอาแปลเป็นไทยเลยดีกว่านจะได้ไม่งงเนาะจิตมีความพอใจก็ให้รู้ว่าจิตพอใจจิตไม่พอใจว่าอะไรจิตมีทั้งจิตทั้งใจเนี่ยเนาะจิตไม่พอใจก็ให้รู้ว่าจิตไม่พอใจมันไม่มีพอใจด้วยนะจิตอ่า ไม่รู้ทั้งสองอย่างก็ให้รู้ว่าเออเขาเรียกว่าจิตมันมันมันซื่อบือ้อมาอยากจะใช้คานี้นะจิตมันมันมันหลงมันเพราะงงเราใช้ว่างงสงสัยอ่าพะวงงงเขาเรียก่าง ง, ง, าลงสลืมสลือสงสัยวุ่นวายในหัวนี่เขาเรียกว่าเป็นโมหะแต่ถ้าว่ารู้ว่าจิตมีโมหะก็ให้รู้ซะให้รู้ว่าจิตโมหะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสติ ปัญญาทันทีแต่มีโมหะแล้วไม่รู้โมหะก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นไปเป็นทิฏฐิแต่ถ้ามีโมหะตามรู้วาอา น, นี้โมหะฉันหลงฉันฉันสลุมซือแล้วนี่นะฉันขอพักก่อนได้ไหมตอนนี้นเป็นปัญญาทันทีเลยตอนนี้ฉันหลงแล้วนะรู้ว่าหลงหยุดรถอย่าวิ่งต่อ <c oughs> อ, อันนี้รู้ว่าหลงแล้ววิ่งไปเอาทางข้างหน้าเรื่อยๆมันก็หลงไปเรื่อยๆนะอะจะออกข้างหน้าเนะ่ มันก็หลงไปเรื่อยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้ารู้ว่าหลงอาอยุดก่อนอามาจะบอกอยุดก่อนเนี่ยเราไม่ใช่ทางแล้ว น, นะเราไปถามไ้คนนั้นดูที่มันทางนี่ไปไหนนะ่อามาจะใช้พิธีนั้นเอาต้องถามท่านผู้รู้อ่าเพราะฉะนั้นกญยนมิตรจึงมีความสําคัญต่อเรามากพระุทธเจ้าบอกว่าพระ น, นุนบอกว่าข้าแต่พวกผู้เชิญกายานมิตเป็นครึ่งหนึ่งเนาะของของของปฏิบัติทั้งหมดพระพุทธเจ้าอานน์เธออย่าพูดอย่างนั้นกาเานมิตคือทั้งหมด ใช่ไหมสักกามีทางบอกคือทั้งหมดไม่ใช่ครึ่งเดียวหมายขางว่าถ้าเราได้ผู้บอกทางที่ถูกแล้วเนี่ยมันไปสู่จุดหมายไปทางคือทั้งหมดไปได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่เจอกระดิมิตรเนี่ยบอกทางถูกทางผิดหรือไปเจอกระดิมิตรแต่กระดิมิตรที่รู้ไม่จริงเนี่ยบางทีบอกทางเขาถามคนเดียวบอกไปอีกทางหนึ่งนะไปถามอีคนบอกไปอีกทางหนึ่งเพราะมันไม่รู้จริงบางที ไปที่เดียวถามคนถึงสามสี่คนถึงจะไปถึงอ่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้จริงครูบาอาจารย์ในโลกนี้ก็เหมือนกันผู้ที่รู้จริงก็มีรู้ไม่จริงผู้รู้ถึงก็มีรู้ไม่ถึงก็มีก็ไปโทษท่านไม่ได้ท่านกําลังเดินทางอยู่นะเอาละทีนี้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตมีราคะโทสะโมหะจิตมีบทต่อมาว่าสร้างขีตังวาจิตตังสร้างขิตังจิตตังติปะชยจิตฟุ้งสิทธ หดหูก <Yes. S 2> ็ร right. <laughs> <co> ู้ว่าจิตโหดหูวิขีตังว่าจิตตังที่ตังประชานาติวิขีตังว่าจิตตังวิขิตังจิตตันติประชาชนจิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านให้รู้เอาบอกเข้าใจยังได้ร้องเอามาเหยะโคกเขวหัวบังโดนะจ้าพ่อจ้าฟุ้งซ่านทันทีเลยดาวดาวออกตาทันทีเลยโอเงแข่ง ฮอดฮูก <orian. S 2> ัมือ็มันบ <c ười> <c ười> ่มันเบืเบิกบานนั thế, ่นแหละเออโอ้หนะเออฮอดฮูคือบเบิกบานมันเบิดดอกไม้มันดอกไม้มันหอดฮูอยเงี้ยมันหอดเขาอยเหี้ยนะเออมันบืหฮอดฮูก็คือมันมันบานออกเออนั่นนั่นแหละนั่นเขเรียกอันนัเขารียกฟุงซานเออฮหดฮูหมายความทําไปแล้วมันซึมมันเศร้ามันเอมันบ่อซืมนบาบานนะนะอันนั้นเขเรียกเจ้าฮดฮูแต่ว่า จเลื่อสติไปแล้วมันคิดไปทัวอันนี้ก็ว่าวิขีตังฟุงซ่านอ่าฟุงซ่านต่อไปท่านบอกว่าอะมะหะค้าตังวาจิตตังอะมะหะค้าตังจิตตันติปัจฉิจิตได้อารมณ์ดีก็ให้รู้เอาตอนนี้ได้อารมณ์ดีเนะี่ยวันนี้ปฏิบัติได้คล่องได้เบาเลือกเกินนั่งได้นานเดินได้นานก็ให้รู้อย่าไปหลงว่าฉันปฏิบัติได้เยอะให้รู้เได้อารมณ์ดีวันนี้แค่นั้นก็พออะมะหะค้าตัง มหาคตังอมาจิตไม่ได้อารมณ์โอ้วันนี้ปฏิบัติแล้วไม่ได้อารมณ์เลยก็ให้รู้ว่ามันได้อารมณ์เท่านั้นเองก็อย่าไปน้อยใจอย่าไปเสียใจอย่าไปอึดอัดวันนี้ปฏิบัติไม่ได้เรื่องเลยมาบ่นเพ้อกับตัวเองอันนี้เขาเรียกวไม่ได้กําหนดรู้เขให้รู้ือโอ้วันนี้ไม่ได้อารมณ์ก็คือไม่รู้ไม่ได้อารมณ์ก็พอแค่นี้พอต่อไปท่านว่าสัอุตรังวาจิตตังสัอุตรังจิตตันติปัชชะนาติจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ให้รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามันมีจิตที่ดีกว่านั้นหรือจิตที่แย่กว่านั้นอจิตโอ้วันนี้จิตมันปลอดโปร่งเบาสบายนะอันนี้จิตยิ่งกว่านะถ้าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าอนุตตรังว่าจิตตังอนุตรังอ้อวันนี้อารมณ์รู้สึกว่าจิตมันไม่มีความกระพื่กระเป๋าเลยอจิตเหงาจิตเศร้าจิตซึมอมันไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามาเสื่มให้มีกําลังเลยอะ นี่เขาเรียกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าหมายว่าจุดช่วงทำวิปัสนาทำวิปัสนาหรือแม้แต่อยู่บ้านก็เหมือนกันอ่ะบางครั้งก็จิตตัวนี้มันก็มีใช่ไหมอยู่บ้านบางครั้งก็จิตซึมจิตเศร้าจิตเหงาหงอยโศกเขาเรียกโรนี่อ่ะอุกใหญ่เอ๊ะจะเห็นยังใดดีเนาะจะเอายังใดเนมันมีจิตอื่นเข้ามาแทรกอืาสมาฮิตังว่าจิตตังสมาฮิตังจิตตังจิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่น จิตไม่ตั้งมั่นอสมาหิตังก็ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นอันสุดท้ายท่านบอกว่าวิมุตตังว่าจิตตังวิมุตตังจิตหลุดพ้นก็ให้ไว้จิตหลุดพ้นอาวิมุตตังจิตไม่หลุดพ้นก็ให้รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นมันมีถึงเดี๋ยวนะหนึ่งอ่ะลองนับดูเขาแบ่งไว้จิตไว้หนึ่งจิตมีราคะสองจิตไม่มีราคะสามจิตมีโทสะสี่จิตไม่มีโทสะห้าจิตมีโมหะหกจิตไม่มีโมหะอ่าเจ็ดจิตหดหู แปดจิตฟุ้งซ่านเก้าจิตไดอารมณ์สิบจิตไม่ไดอารมณ์สิบเอ็ดจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าสิบสองจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าสิบสามจิตตั้งมั่นสิบสี่จิตไม่ตั้งมั่นสิบห้าจิตหลุดพ้นสิบหกจิตไม่หลุดพ้นมันมีสิบหกอนาปนสติเข้ากับเขาไปสงเคราะห์อนาปนสติสิบหกขั้นมีคู่กันอไปสงเคราะห์ตรงนั้น อันนี้คือลักษณะของจิตมันมีอารมณ์ทีนี้ในในจิตทั้งสิบหกอย่างเนี่ยมันมีกุศลกี่ตัวมีอกุศลกี่ตัวเท่าๆกันจิตนะฮะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูเท่ากันคือหมายความว่ามันมันมีกับไม่มีอ่ะไม่มีสักแปดไม่มีก็แปดมัก็สิบหกใช่ไหมอันนั้นคือมันมีเกิดก็มีดับนีไย มันคู่กันจิตมันเกิดมันดับก็อาศัยเกิดดับในอารมณ์ที่ดีบ้างเกิดดับเป็นอารมณ์ไม่ดีบ้างก็ให้รู้แทนที่ เ, เราไปรู้ทีละอย่างอย่างมารู้ว่าจิตคิดไม่คิดก็จบใช่ไหมจิตฟุ้งไม่ฟุ้งก็จบจิตชอบไม่ชอบก็จบมันก็เหลือแค่สองอย่างทั้งสิบหอย่างดูแค่สองส่วนที่มันดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วจิตเหล่านี้ก็ว่าแบ่งเป็นเท่าไหร่8ดจิตแปดสดวงจิต5้บสอดวงจิตร้อยบเอ็ดวงก็แบ่งไปตาม ภาษาตำราแต่ความจริงมันไม่มีแค่สองดวงจิตเกิดเรอยจิตดับจิตรู้จิตไม่รู้เท่านั้นเองใช่ไห ม, มเพราะฉนะนั้นถ้าจําหลักตัวนี้ได้เนี่ยมันง่ายแต่คนเรามันชอบรู้เยอะๆไงรู้น้อยๆไม่เคยเอามันบอกว่าไม่มีความรู้กําลัง ส, สนุกมีคนมาเบรกอย่างเงี้เนาะกําลังพอกําลังทํางานการอะไรดีมีคนมากระทบอะไรพวกนี้ไม่ชอบไม่ชอบมันมาจากไหนล่ะมาจาก<อ>แล้วก็เพราะว่าคติดตามไม่ทันไม่ทัน ถึงได้มาปฏิบัติเพราะฉะนั้นเองเป็นโอกาสที่ดีมาศึกษาเรื่องนี้นะอย่างน้อยถึงจะทําไม่ได้ชาตินี้นะชาติหน้าอาจจะทําได้ <c oughs> ทำไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้อาจจะทําได้ <c oughs> ใช่ไหมทำมาได้อาทิตย์นี้อาทีหน้าอาจจะทําได้ <c oughs> ทำํำมาได้เดือนนี้เดือนหน้าอาจจะทําได้ทําำมาได้ปีนี้ปีหน้าจะทําได้มันช่ว ง, งได้ช่วงใดช่วงหนึ่งยังไม่เสื่มก่อนนี่ยอ่ยังไม่เสื่มก่อนเ <c oughs> ขาพูดที่เจ้าบอกไม่ไม่เกินเจ็ชาติางไงล้ว ไม่เกินเจ็ดปีสามเดือนไม่เกินเดเดือนนะเอาละทีนี้อันนี้คือเรื่องจิตหมดเวลาแล้วนะทีนี้เรื่องจิตต่ออารมณ์อย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องลึกมันจะต้องมีเวลาต้องไปปฏิบัติมาให้พอซะก่อนอาจจะต้องพรุนี้เริ่มเก็บอารมณ์หนึ่เนาะวันนี้ลองลองลอ ง, ลองทำดู ก, ก็พอนิ่งได้บ้างแล้ช่ไหมบางคนที่มายังไม่ครบสี่ห้าวันก็ยังดิ้นอยู่นะใช่ไหมยังยังนิ่งไม่ได้ แต่คนไหนเริ่มนิ่งเริ่มนั่งได้นานก็เออแสดงว่าอารมณ์เข้าที่เข้าทางเก็บอารมณ์ได้แล้วมันจะนั่งได้ทั้งวันเดินได้ทั้งวันแล้วทีนี้เพราว่า น, นิวร์มันค่อยอ่อนตัวลงเพราะฉะนั้นสรุปจิตอีกครั้งหนึ่งว่าจิตมีอยู่16ลักษณะในสิบลักษณะเพื่อสงเคราะห์ก็คือานาปนาสิบหขั้นแต่คนจริงแล้วหลักก็มีแค่สองหายใจก็มีแค่สองแต่ไปแยกเป็นสิหหายใจมีอะไรมีสองคือ หายใจเข้ากับหายใจออกแค่นั้นเองจะไปแยกอะไรมันมันยุ่งยากก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็จบใช่ไหมอ เ, เออแต่ว่าเราไปแยกให้มันเพื่อที่จะผู <c oughs> ้รู้ท่านแสดงภูมิปัญญาของท่านเ อ, อว่ามันแยกเยอะอย่างนี้นะแต่เราผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปตามภูมิปัญญาของท่านหรอกท่านมีปัญญาเยอะกับท่านให้แยกให้ย่อยไปเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนให้ เ, ใหเห็นว่าสองงานนี้สําคัญนะถ้ารู้สองงานชัดๆเราวก็จะรู้ทั้งหมดอ่า แ ล, แล้วจากนั้นพอรู้สองงานนะรู้เข้ารู้ออกไปรู้ออกยาวเข้าสั้นรู้ออกสั้นเข้ายาวอีกน ะ, ะใช่ไหมทีขังว่าอ า, าสะสั้นโดทีครั้งอาสะสะมิติประชานติรัตสั่งว่าอาสะสั้โดรัตสันสมิเข้ายาวออสั้นอีกแล้วต่อมามารู้ว่าสาวพากายยะปฏิสั่งเวทีอาาสะสะมิติสิกดิให้ศึกษาว่าให้รู้พร้อมกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกรู้แค่สองอย่างพออ่า เราไปตามที่เขาขยายไว้ในตำราไม่เยอะเกินไปเวียนหัวเอาแค่เข้าแค่ออกพอแต่แค่เข้าแค่ออกแล้วก็รู้ไม่ทันอยู่แล้วตลอดเวลาใช่ไหม <c oughs> เออแค่สองอย่างเราก็รู้ไม่ทันอยู่แล้ว <c oughs> ออรู้เป็นบางครั้งโอ้โหหลงไปทั้งวันเพิ่งมารู้ตอนนั่งนี่เองหายใจเข้าหายใจออกแต่นั้นตลอดทั้งวันไม่ได้รู้เลยนะ่ะหายใจทิ้งไปเฉยเฉยแล้วอนาปนสติมันจะสําเร็จได้ไงพอ <c oughs> ไปรู้อตอนที่มานั่งเท่า น, นั้นเองไอ้ตอนที่ไม่ได้นั่งทั้งวันน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะจำรู้หรือเปล่า <c oughs> อตอนเหนื่อยก็ถ้าไม่เหนื่อยไม่รู้นะอตอนไม่เหนื่อยน่าไม่รู้แสดงว่าหายรู้ครั้งเดียวรู้ตอนที่มันเหนื่อยไอ้ตอนไม่เหนื่อยเขาต้องรู้ด้วยอันนี้ตอนไม่เหนื่อยไม่รู้มันไม่ครบไงรู้แต่การเกิดแต่การดับไม่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงช้าไงอนาปนสติใครทําได้ไวที่สุดเพราะมันมีการหายใหญ่ตลอดเวลาแต่ว่าสติปัญญาของเราไม่ถึงไง มันแค่เราไปนั่งมันก็รู้ยากขึ้นแล้วใช่ไหมนั่งสักพักมันก็พัพไปภาพมาแล้วนั่นนะสนิปัญญาเราไม่พอเราถึงมาเปลี่ยนการเคลื่อนไหวนี่เข้ามาช่วยไงแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธลมหายใจถ้ายมรู้ลมหายใจตลอดเวลานั่นบางทีไม่นานบรรุล <c oughs> อะอก็ไม่ต้องถือว่าตลอดเวลาหรอกให้แปดสิบเปอร์เซ็นกันแล้วกันเนาะวันหนึ่งรู้ลมหายใจเข้าไปที่ไหนรู้หมดนะไม่ใช่เป็นนั่ง หายใจเข้าออกตอนตจนภาวนาแค่นั้นไม่พอทําไปเป็นร้อยร้อยปีก็ไม่พอหรอกเพราะอะไรเพราะความคิดไม่คิดตลอดเวลาอือครับอันนั้นมปความคิดเรากำลังพูดถึงเรื่องลมหายใจใหญ่ถ้าเรารู้กระลมหายใจเนี่ยไปไหนกันอยู่กระลมหายใจเนี่ยความคิดมันเข้ามาไม่ได้เพราะไม่มีที่เกิดเพราะจิตมันไม่อยู่กระลมหายใจเพรอจิตถ้าลูกระลมหายใจปั๊บความคิดมันถึงจะเข้ามาแทนคิดว่าเราไม่คิดอะไรนะมันคิดแล้วน่ะเออนั่นน่ะเออมันคิด เอาไม่ขี้นี้ก็มาจากก่อนหน้านั้นอีกก่อนจะถึงไม่ขี้เนะี่ยตามไม่ทันค่ะตามไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ตามตามกายทั้งหมดได้ง่ายกว่าแทนที่จะไปตามไอ้ไอลมแต่แค่จมูกท่องเดียวใช่ไหมตามทั้งหม ด, ดมันง่ายกว่าวงพจนเฮียนขึงเสริมเข้ามาอีกสองตัวไงเสริมเรื่องรยบทใหญ่และยบุตรย่อยเข้ามาเสริมลมหายใจแต่ถ้าไม่ได้ไปดิเซลมหายใจแต่ให้รู้เท่าที่รู้ได้ แต่การเคลื่อนไหวทั้งหมดมั น, ม, นมันมันมีการเคลื่อนไหวที่ชัดกว่าใช่ไหมแต่ลมหายใจมันเคลื่อนไหวอยู่แค่เนี้ถ้าสติปัญญาสติปัญญาเราไม่แรงพอจะจะรู้ไหมล่ะไม่รู้ใช่ไหมก็แค่ไปนั่งภาวนาหายใจเข้าออกมันยังรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วไปนู่นไปนี่เราก็ลืมสนิทเลยอะทั้งวันอะใช่ไหมเออพอจะหายใจได้ที่ตอนไหนตอนเหนื่อยหายใจแรงๆเอี่โอไม่ไหวหายใจลึกๆเนี่ยรู้ตอนนั้นแหละตอนเหนื่อยทํางานหนักๆได้ละหายใจ เพราะฉะนั้นการที่เรามาใช้เดียวบทอะไรต่างๆเนี่ยมันได้เห็นการเคลื่อนไหวทั้งตัวแทนที่จะไปดูแต่การเคลื่อนไหวของลมใช่ไหมนี่การเคลื่อนไหวของทั้งหมดเลยอาการสามสิสองเลยมันก็ได้เปรียบฝ่านะอันนี้คือความไวของสติสติมันก็มีกำลังเร็วกว่าถ้าไปนั่งหลับสักพักหนึ่งไปละไปกับความหลับมันก็ลืมลมหายใจ ดึงลมหายใจไม่กี่ทีเพราะนั้นวิธีการนอนหลับง่ายที่สุดก็ตามลมหายใจไม่ถึงเอามาไม่ถึงนาทีไปแล้ว <c oughs> แต่ตอนแรกที่ยังไม่ชำนาญมันก็อาจจะดูนานหน่อยน ะ, ะถ้าหากว่ามาถึงบอกว่าคนไหนนอนไม่หลับกลางคืนในโชคดีเพราะอะไรเพราะจะได้ปฏิบัติอาณาปานสติหายใจลึกเข้าดูออกยาวเข้าลึกอย่างงี้นะจะหลับไม่หลับไปเรื่องของมัน แต่เราอยเอาตัวอนาป่าเป็นหลักใช่ไหมมันหลับจนได้แหละไม่อยากจะหลับก็ต้องหลับเพราะอะไรเพราะจิตมันมันทนต่อกันนี้ไม่ได้ทนต่อกันเนี้เดี๋ยวก็ก็หลับทํำชำนานาญเข้าชนานาญเข้าเมื่อก่อนหลายนาทีคุยจะหลับใช่ไหมเดี๋ยวนี้นาทีเดียวหลับละเอามันที่ไม่ถึงนาทีไปละแค่หลับตาลมมันก็ไปเลย อ, ะอ่ะอ่าันไวขนาดนั้น ดังนั้นเองเรื่องของจิตจึงไม่ใช่เรื่องเร็วเรื่องช้าเรื่องนานหรือไม่นานแต่เรื่องว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดพุทธเจ้าถึงเอาสมาธิถี่ขึ้นก่อนก่อนพื้นเลยไงเรื่องเข้าใจนี่นะถ้าเข้าใจถูกทุกเรื่อ ง, องท่านแต่ว่าสมาธิฐสมาทานนาหัสภาพทุกเขาไปเจุบุงแต่มักองค์อื่นถ้าไม่ได้ตัดตัวดังนี้เลยนะ สมาสังกปปะสมาธานาไม่ตัดสมาวาจาสมาธานาไม่ตัดแต่สมาธิธสัมมาธานาสภพทุขาอุปจัคุงถ้าท่านเกิดสมาธิติตัวเดียวพ้นทุกทั้งม่วงทั้งปวงพ้นจากทุกทั้งปวงเลยสพพทุขาอุปจักุงนะให้สมาทานความความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วท่านก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงเห็นไหม สำคัญตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องปฏิบัติชาปฏิบัติไว้เกี่ยวข้องเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดสมาธิที่เพราะฉนั้นเราก็มาสร้างตัวสมาธิิเมื่อได้สมาธิิสมบูรณ์แล้วก็เป็นพระโสดาบันใช่ไหมพระโสดาบันหมายความเป็นผู้มีสมาธิทิเท่านั้นเองนะแล้วก็ถ้ามรรคต่อไปสมาธิทิก็พัฒนาไปสู่มรรคดนอื่นก็ไปสู่เป็นพระอริยบุญขั้นสูงได้นะเพราะนั้นอย่าไปอยากเป็นพระโสดาบัน ทำความเข้าใจอะไรให้ดีๆถูกๆต้องก็พอแล้วนะอย่าเข้าใจตัวเองผิดอย่าเข้าใจคนอื่นผิดอ่าอย่าเข้าใจเรื่องตาหูจมูกหรือเร่องกายใจผิดแค่นั้นพอแล้วสบายไปทั้งเยอะแล้วใช่ไหมถึงไม่เป็นร ป, ประสบการ์ก็ไม่เป็นไรทำไมหลวงพ่อเห็นว่าไงไม่ต้องไปอยากบรรลุนั้นบรรลุนี้เอาแค่ไม่ทุกข์ก็พอท่านว่า <laughs> ไอ้ศาสตร์ใจคนสมัยนี้แลหละไม่อยากเป็นทําไมพระอาหารอาหารนะันต์หันต่ะทําไมไม่อยากเป็นคนไม่มีทุกข์เหมือนว่านะ่ะเป็นคนไม่มีทุกข์ก็พอแล้วเออถ้าหากว่าเป็นพระโสดาบันสเสียเึ็พระอราหันต์ยังทุกข์อยู่เป็นไปทำไมท่านว่ะเออก็ถูกของท่านนะเอาเป็นความเป็นผู้ไม่มีทุกข์ก็พอแล้วนะนะวันนั้นวันนี้ก่อนจะจบเหลือเวลาอีกหน่อยใครมีอะไรถามอืม วันนี้เป็นเรื่องจิตสนุกไหมนี่แทนที่จะฟังแล้วนั่งง่วงมันไม่ง่วงนะเรื่องจิตนี่สนุกใช่ไหมมันเกี่ยวข้องได้ทุกคนนั่นแหละสอบสอบกลับมาหลายครั้งก็โมยาโมงโมงเหมือนกันใช่ไหมสอบกลับสอบกับหลายเรียกว่าเรียกว่าตราเมื่ดตามมงก็ถูกสอบกับถูกไปคันทุกครั้งเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงส่วนใหญ่เราไปคิดเอาใช่ไหมถ้าเราใช้ความคิดเนี่ยมันไม่ทันหรอกเพราะจิตมันไวกว่านั้น เพราะจิตมันไวกว่าความคิดไงเราไปอาศัยความคิดไม่ได้ต้องอาศัยที่ตัวสติตัวสติมันไวกว่าจิตอีกถ้าสติไม่ไวกว่าจิตจับจิตไม่อยู่ถ้าจิตไม่ไวกว่าความคิดจับความคิดไม่อยู่เพราะนั้นเอาสติไปฝึกให้จิตไวเพราะสตินี่แปลว่าแล่นแปลว่าวิ่งมันมาจากสารธาตุไงสติมาจากสารธาตนะสระแปลว่าลูกศรไง ลูกศรนี้ต้องให้ไวที่สุดถ้าไม่ไวที่สุดมันจะทันเป้าหมายทันนกทันเสือทั้งสัตว์ที่จะยิงไหมไม่ทันเพราสติมาจากควาสารทธาตแต่มันไปลงตีปัจจัยมันเลยไปกืนตัวรอเรือหายไปไงมันจึงเหลือเขาควาสติแต่พอไปลงนะักปจัจจัยดีสติค้างอาสระค้างอยู่เลยเป็นสาณะนะสาระแปลว่าอะไรพูดทางสารนังขะฉามีะอะออนั่นนะ่ะรากเดียวกันก็นสตินั่นนะ่ะตัวสาระนะ่ะ แต่มันลงปัจจัยในในบาลีคนละตัวกันสติปัจจัยไปลงท้ายแถวไหนมันฆ่าท่าทตัวหนึ่งแต่ณปัจจัยมาลงท่านไหนมันคงท่าทไว้เพราะนั้นสติกับสรณะตัวเดียวกันแต่ลงปัจจัยคนละตัวณตัวนั้นไม่ใช่เป็นท่านั้นนะสระาเป็นเป็นปัจจัยของบาลีผูทางสระนังตัวนั้นแต่ว่าที่พึ่งที่ ล, ลึกใช่ไหมเขาลึกแปลเป็นสองคำไงที่พึ่งที่ ล, ลึกก็คือสตินั่นเองที่ ล, ลึกอันุสอนอนะ่ะ <laughs> เป็นที่ ล, ลึกอ่ะ ไปที่ตามระ ล, ลึกอันเดียวกันนะคำว่าอนุสอนนั่นมาจากคําว่าสตินั่นเองอาตามระลึกรูกอ้อนุสอนถึงสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราจรึงว่าสติมาจากคําว่าสอนมาเขียนภาษาไทายสคอยสล า, า, าลรอเรือใช่ไหมแอโร่สติแปลว่าแอโร่คนละเรื่องเลยใช่ไหมแปลว่าลูกศรเอา้าทํำไมสติแปลว่ารู้ก็คนต้องวิ่งให้ทนันสัตว์ที่มันยิงสติก็ต้องวิ่งให้ทันจิตที่มันคิด ถ้าหากว่าสติวิ่งไม่ทันจิตแสดงว่าสตนี้มันมีความไวน้อยต้องไปฝึกสติให้มากแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนลูกศนเป็นอะไรเป็นลูกปืนเออเป็นบุลเลต์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แอโรแล้วเพราะนั้นโอ้ยคนนี้มันยิงปืนแม่นเหมือนจับวางเนี่ยกลัวมันจะแม่นเหมือนจับวางได้มันเสียลูกปืนลูกปืนเท่าไหร่รู้ไหม <c oughs> เป็นแสนแสนลูกก่บเป็นกระสอบอะใช่ไหมเออเหมื <c oughs> อมนกันกลัวเราจะได้ยิงสติเอาพอ <c oughs> ความคิดเกิดขึ้นมาเนะี่ยยิงสติพว่าความคิดตกเนี่ยโอ้โหต้องทํากันนานนะใช่ไหมอันนี้ยิงพวพวะวะมันยังไม่ตกมันคิดเฉยเลยใช่ไหมตำรวจรู้แล้วรู้อีกอมันยังไม่ลงให้เลยความคิดนั้นนะ่ะแสดงว่าสติเราเป็นไงอ่อนยิงไปควจะสติควจะไปถึงเหมือนลูกศร ว, วิ่งควรจะไปถึงสัตว์สัตว์วิ่งไปเรียบร้อยแล้วบินหนีเรียบร้อยแล้วไม่ทันมันเพราะสายธนูมันอ่อนแทนที่จะไปยิงถึงมันว่ายิงป้อลงตรงนี้ พราะนั้นสายธนูคือความเพียรต้องขันให้มันตึงตึงหน่อยอันนี้เพียรหน่อยก็โอ้ไม่ไหวปวดแค่ปว ด, าปวดขาเพียรหน่อยก็โอ้ไม่ไหวนานเกินไปอาจารย์เลิกเถอะหมดเวลาแล้วอะไรแบบนี้เพราะตัวเองไม่ไหวอ่ะนะเออมันต้องอเข่งสายขึ้นมาหน่อยนะเข่งตึงขึ้นมาหน่อยหนึ่งไม่งั้นมันไม่ได้ทําไมต้องตึงพ่อยเพื่อจะให้ขาธนูมันแข็งเมื่อขาธนูมันแข็งแล้วมันยิงธนูได้ไกลเหมือนกันถ้าความเพียรมัน เข้มแข็งแล้วเนี่ยมันทําให้พลังสติมันมีพลังเมื่อพลังสีพลังปั๊บมันไปทันความคิดอันนั้นคือเหตุผลเข่งแบบอาตาอาตาปีนะั้นไม่ใช่เข่งแบบตาบาสนะคนละอย่างเข่งแบบตาบาคมันมปเข่งแบบรวมจิตให้เป็นพลังแต่อาตาปีนี่รวมจิตให้เป็นปัญญ า, าอืรวมจิตให้เกิดปัญญาเกิดสติดังนั้นเมื่อเข้าใจหลักการอันอ น, นี้เราก็จะแทนที่จะไปนั่งจับสติตอนเราสร้างจังหวะใช่ไหมเราไปจะเดินก็จับสติ เก็บให้เยอ ะ, อะเวลากินก็จับสติเคี้ยวกี่คำโน้นนะมันก็เพียงพอเน อ, อตลอดนะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้ก็ในเรื่องของจิตพอแล้วเนอะเดี๋ยวจะงงมากกว่านี้โดนสอกสอโดนสอกโด น, โดนปคาคางไปหลายลูกแล้วก็ข อ, อนโมธนาสาธุเราทั้งหลายจงเกิดสติปัญญาสามารถรู้เท่าทัน ใ, ใจของตนเองจนสามารถที่จะครอบงำกิเลสทั้งหลายได้เด็ดขาดด้วยกันทุกคนทุกท่านถืด